สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ c o ม t o d a y Radio โนะครับทาง FM 89.5 เม z นะครับวันนี้อยู่กับผมพอรนชัยจันทระสุภธแสงนะครับบอกอมิง้งประจำวันอังคารที่11มิถุนา ย, ยน2562นะครับอยู่กันมาก็1วันวันนี้วันที่2ของสัปดาห์นะครับส่วนระยะเวลาจำนวนปีไม่ต้องนับนะครับเพราะว่าน่ามากจริงๆนะครับชั่วโมงเต็มกับสาระดีๆและก็บทเพลงเพราะๆที่นามาฝากกันนะครับเมื่อวานนี้ก็ พูดถึงเรื่องราวที่แบบอาจจะกระตุกความคิดแล้วก็ให้เรากลับมาฉุกคิดกับเรื่องของการใช้ชีวิตในยุคดิจิตอลแบบนี้นะครับวันนี้ก็มีเหมือนกันนะเรื่องราวของยุคต่อจากสมาร์ทโฟนว่ามันจะไปต่อตรงไหนอย่างไรที่หลายคนอาจจะถามกันมาเยอะนะว่า แต่ก่อนมีคอมพิวเตอร์มีโน้ตปุ๊บมี PC แล้ววันนี้มีสมาร์ทโฟนแล้วในอนาคตจะมีอะไรนะครับก็ยังมีอีกหลายสิ่งที่มันต้องพัฒนากันไปแต่ที่แน่ๆ 4-7 ่กรกฎาคมที่จะถึงนี้คือเดือนหน้าเนี่ยจะเจอกันแน่นอนสำหรับงาน Comma j o ์จอยสนะครับจัดขึ้นที่ไบเทคบางนาเจอพี่มิงแน่นอนตลอดทั้ง4วันเลยนะครับ อ่ะมาที่เรื่องของเราดีกว่านะครับกับยุคต่อจากสมาร์ทโฟนนะครับผู้ที่ติดสมาร์ทโฟนเป็นยาเสพติดบางคนอาจสงสัยว่าเราเป็นขี้ยากันมาประมาณ10ปีแล้วต่อจากนี้จะมีอะไรให้เราเสพอีกนะครับข้อสงสัยนี้สอดคล้องกับการวิเคราะห์ของ IMF และก็บริษัท Morgan Stanley นะที่ว่าโลกกำลังอยู่ในขั้นแรกของการเปลี่ยนผ่านจากปลายยุคของอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่หรือว่าโมบายอินเทอร์เน็ต ซึ่งครอบคลุมทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตแล็ปท็อปและเครื่องมือชนิดอื่นๆสู่ยุคใหม่ของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลางหรือว่า Data Center Computing Era หลักฐานที่เริ่มเห็นก็คือขณะนี้ยอดขายสมาร์ทโฟนในโลกไม่ขยายตัวร้อนแรงดังที่เคยเป็นมาปรากฏการณ์นี้นะครับเป็นข่าวดีสาหรับบางเศรษฐกิจในเอเชียอย่างเช่นจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้และก็ไต้หวันซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนเทคโนโลยีไอทีมานานขยายการขยายตัว อย่างร้อนแรงของอุปกรณ์ยุคใหม่เช่นอุปกรณ์มือถือเครื่องมือเ อ, อไม่ใช่มือถือนะเช่นเครื่องมือหรืออุปกรณ์เทคโนโลยีที่พกติดตัวได้แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าประจําบ้านที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตช่วยคานยอดขายสมาร์ทโฟนที่เย็นลงไปพอสมควรนะครับซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ผลิตในประเทศเหล่านี้อยู่ในปัจจุบันนะครับอุปกรณ์ยุคใหม่กําลังปรากฏตัวชัดขึ้นมาทุกขณะโดยกําลังแข่งขันและเข้ามาทดแทนอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ที่ ซึ่งสิ่งใหม่เหล่านี้นะครับรวมเทคโนโลยีหลายอย่างเข้าด้วยกันในตัวมันเองโดยอาศัยข้อมูลเป็นหัวใจสําคัญเช่นปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ไอนะฮะออไอโอทหรือว่าอิน e ทอร t เน็ตออฟซึ่งหมายถึงการเชื่อมต่ออุปกรณ์หรือชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ที่ฝังตัวอยู่ในสิ่งรอบตัวเข้าด้วยกันผ่านอินเทอร์เน็ตโดยสามารถส่งและรับข้อมูลถึงกันได้ Virtual r อร์เรลเช่นการสวมหมวกที่มีแว่นตาซึ่งเมื่อมองเข้าไปแล้วจะเสมือนว่าตัวเองอ ย, อ, ยอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วย แล้วก็ AR augmented reality นะฮะเช่นภาพในสมาร์ทโฟนที่ปรากฏข้อมูลบอกอายุของตึกสถานที่ของห้องน้ำภาพรถที่กำลังวิ่งมาจากอีกถนนหนึ่งข้อมูลพยากรณ์หรือว่า Google Glass หรือปฏิปฏิอ่าเาเรียกปฏิกรรมปริตกรรมที่เรารู้จักกันดีนะฮะตัวอย่างของอุปกรณ์ที่ขายดีมากในปัจจุบันก็คือกล้องถ่ายรูปที่ติดอยู่กับตัวผู้ถ่ายตลอดเวลาซึ่งสร้างสาหรับ ตำรวจทหารสามารถบันทึกวีดิทัศน์หรือวิดีโอและภาพถ่ายของผู้คนและสถานที่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นหน้าคนป้ายทะเบียนรถข้อมูลที่ได้รับจาก IoT ในกล้องจะส่งไปวิเคราะห์หาความผิดปกติของสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นตรวจจับบุคคลหลบหนีหรือว่ารถที่เขาเรียกว่าคดีค้างอยู่โดยเทียบกับข้อมูลที่เก็บเอาไว้นะครับยอดขายทั่วโลกของกล้องติดตัวดังกล่าวนะฮะคาดว่าจะมีถึง 5.6 ล้านหน่วยในปี2020 ซึ่งเป็น3เท่าของยอดขายประมาณ 1.6 ล้านหน่วยในปี2018คือปีที่ผ่านมาอุปกรณ์อื่นเช่นสมาร์ทวอชซึ่งให้ข้อมูลสุขภาพการออกกำลังกายจำนวนก้าวที่เดินแคลอรี่เผาผลาญการเต้นของหัวใจตลอดจนข้อมูลต่างๆจากสมาร์ทโฟนนั้นคาดว่าจะขายได้81ล้านเรือในปี2020 โดยเพิ่มขึ้นจาก48ล้านเรือนในปี2018นะครับการใช้โดรนหุ่นยนต์เพื่อรับใช้มนุษย์เช่นการสำรวจพื้นที่เกษตรกรรมทางอากาศเพื่อพยากรณ์ผลผลิตความบันเทิงการถ่ายภาพมุมสูงของโดรนเครื่องดุดฝุ่นอุปกรณ์ทุ่นแรงในบ้านที่ช่วยยกหรือว่าแบกหามมนุษย์ในรูปของคนหรือสัตว์เลี้ยงที่มีไว้เป็นเพื่อนมนุษย์จะขยายตัวเช่นเดียวกันโดยคาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวในปี2021นะครับเทคโนโลยีทั้ง AI IoT Virtual และก็ Open t e r r i t y ตลอดจนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์จะเชื่อมประสานกันเป็นอุปกรณ์ใหม่ที่รับใช้มนุษย์ไม่ว่าในการทํางานหรือการสร้างความบันเทิงได้อย่างน่าพอใจมากกว่าการเป็นเพียงโมบายอินเทอร์เน็ตเหมือนที่ผ่านมานะครับมาดูอุปสงค์ของอุปกรณ์ที่พูดถึงนะฮะก็คือพวกที่เราพูดถึงกันเมื่อเบรกที่แล้วเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเมื่อผู้บริโภคเห็นประโยชน์นะฮะอุปทานเป็นตัวสร้างอุปสงค์และจะก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า เ, เขาเรียกว่าดีมานนะฮะการการสร้างดิมานของอุปรกรณ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของสินค้าใหม่เหล่านี้ตามมาซึ่งกลุ่มประเทศจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและไต้หวันเนี่ยที่มีความเชี่ยวชาญและมีฐานการผลิตเดิมอยู่แล้วจะได้ประโยชน์นะครับส่วนใครละ่ะจะได้จะเสียหรือจะได้มากกว่านั้นยากที่จะอยางรู้เนื่องจากเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าตลอดเวลาจนมีสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดอยู่เสมอนะฮะ ตอนนี้เขาบอกว่าโซนี้กําลังพัฒนาเซนเซอร์สําหรับเทคโนโลยี 3D ที่มีประสิทธิภาพเชื่อมต่อกับ IoT กล่าวคือสามารถอ่านสิ่งที่เป็น3มิติและนําไปประยุกต์ต่อได้อย่างคล่องตัวในขณะที่อุปสงค์ของผู้บริโภคในโลกก็พลิกผันอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันนะครับนอกเหนือจากการเป็นอุปกรณ์ใหม่ที่หรือหวาและทันสมัยกว่าสมาร์ทโฟนแล้วนะครับการที่คนในโลกมีสมาร์ทโฟนกันมากขึ้นทุกทีมีประมาณว่ามีการประมาณว่ามีการมีคนใช้ 2.1 พันล้านคนในประชากรโลก7พันล้านคนและมีผลธรรมยอดขายไม่พุ่งขึ้นมากเหมือนที่ผ่านมาจนเชื่อกันว่าธุรกิจภาคสมาร์ทโฟนจะไม่รุ่งเท่าที่เคยเป็นมาถึงแม้ว่า <c oughs> ในแต่ละปีเนี่ยจะมีจำนวนการผลิตมา ก, ก, า ม, ากมายกว่ามากมายกว่าอุปกรณ์ที่กำลังเกิดขึ้นมาใหม่ๆที่พี่มิงพูดถึงเมื่อสักครูน่นี้แต่ประเด็นที่กล่าวมาในที่นี้ก็คือการที่มีแนวโน้มในอนาคตของธุรกิจเทคโนโลยีสมัยใหม่ นะก้อนหินทุกก้อนนะครับที่คว้างขึ้นไปแล้วต้องตกมาชั้นใดก็ชั้นนั้นทรัพย์สินทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นความนิยมของสินค้าลาบยศแล้วก็สารเสริรตลอดจนสังขารก็ปเปลี่ยนไปตามเวลาชั้นนั้นนะครับเวลานับเป็นศัตรูตัวสําคัญที่สุดของมนุษยชาติเพราะมันทํำลายทั้งความงามความสุขและการยอมรับสัจธรรมของเวลาเท่านั้นที่พอจะรับมันเอาไว้เป็นเพื่อนได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของยุคต่อไปของสมาร์ โฟนเพราะว่าหลายคนถามว่าหลังจากที่สมาร์ทโฟนหมดไปแล้วในอนาคตอะไรล่ะจะมาแทนที่ก็เอามาเล่าสู่กันฟังจริงๆก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเริ่มได้สัมผัสจับต้องกันแล้วนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งใหม่คงต้องใช้เวลากันอีกสักพักใหญ่ๆนะครับซึ่งในคอมาทที่จะถึงนี้คือ 4-7 กรกฎาคมที่ไบเทคบางนาเนี่ยคอมาจอยเนี่ยก็น่าจะได้เห็นสิ่งละอันพลาน้อยของเทคโนโลยีเหล่านี้ ได้มากขึ้นนะครับจากคอมมานด์ครั้งที่แล้วคอมมานด์คอนเน็กเนี่ยก็จะได้เห็นเทคโนโลยี IOT ในโซน Di จิตอลพาวเวอร์ีย น, นะครับคราวนี้เราก็มีของเล่นใหม่มาเป็นบุ๊ใหม่ๆที่อยากให้ทุกคนได้สัมผัสนะครับเพราะว่าคอมมานดรอบนี้นี่มากันแบบอุหณาภาข้างจริงๆกับบุ๊แล้วก็สปอนเซอร์รวมถึงเวนเดอร์ต่างๆก็อยากให้ทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ดีๆของคอมมานด์จอยที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคมนี้นะครับส่วนใคร อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ inbox มาคุยกับพี่มิงได้ทาง facebook ของพี่มิงเลยนะครับ ming.com.today m-i-n-k c-o-m-t-o-d-a-y แอดเป็นเพื่อนกันได้แล้วก็มาเป็นแฟนเพจกันได้นะครับวันนี้นะครับอีกหนึ่งเรื่องที่พี่มิงอยากจะมาเล่าสู่กันฟังกับเรื่องราวที่เหตุผลที่เราต้องลบบัญชีโซเชียลมีเดียเนี่ยทำไมเราถึงต้องลบนะับบางคนต้องบอกว่า ผู้ที่มีบัญชีโซเชียลมีเดียทุกคนโดยแท้จริงแล้วนะครับมีสถานะไม่ต่างไปจากสัตว์ทดลองในกรงที่ถูกเฝ้าพฤติกรรมอยู่ตลอดเวลาเพื่อวิเคราะห์และผลักดันให้กระทำไปตามทิศทางที่เขาต้องการนี่คือเหตุความเห็นของจารอนแนละราเนียผู้บุกเบิก i อในด้าน VR นักวิทศาสตร์นักปรัชญานักดนตรีและเนือสิ่งอื่นใดเป็นผู้ปรารถนาที่จะเห็นมนุษย์เป็นเสรีชนนะครับจารอนเขียนหนังสือดังระดับโลกหลายเล่มที่แสดงความห่วงใยผู้คนภายใต้โลกโซเชียลมีเดียเล่มล่าสุดของเขาก็พูดถึง10เหตุผลที่ต้องลบบัญชีโซเชียลมีเดียเลยนะครับโดยให้ข้อคิดเห็นที่น่าสนใจอย่างมากอันนี้พี่มิงเอามาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับกับความเห็นนี้และเนหานไป หันปืนไปที่สองบริษัทยักษ์ใหญ่เจ้าของบัญชีโซเชียลมีเดียที่มีพฤติกรรมเป็นพิเศษกวา่กวาใครเ่ฮะเขาตั้งชื่อรูปแบบของธุรกิจของสองยักษ์นี้ว่าเป็นบูมเมอร์นะบูมเมอร์หรือว่า behavior of user modify and mod into an Empire for Rent นะฮะซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องจักรซึ่งพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราตลอดจนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้คนที่เป็นสมาชิกแล้วก็ขายให้แก่นักโฆษณาเพื่อทำกำไรนะครับลักษณะของบูมเมอร์มีหก อ, อาการด้วยกันก็คือโซเชียลมีเดียถูกออกแบบเพื่อให้คนเสียงดังที่สุดอื้อฉาวที่สุดได้รับความสนใจแทรกแซงเข้าไปในชีวิตของสมาชิกทั้งหมดโดยการเฝ้ามองกิจกรรมออนไลน์ของเขา แล้วก็สมาชิกแต่ละคนจะถูกป้อนด้วยเนื้อหาเป็นการเฉพาะตัวสมาชิกแต่ละคนจะถูกป้อนด้วยเนื้อหาเป็นการเฉพาะตัวแล้วก็อันเป็นผลมาจากการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมออนไลน์ที่ผ่านมาพลักดันและสนับสนุนพฤติกรรมออนไลน์ของสมาชิกเช่นให้ซื้อของให้หมกมุ่นกับโลกโซเชียล บริษัททุกเป็นเจ้าของบริบัญชีโซเชียลหารายได้จากการข า, ขายข้อมูลของสมาชิกให้กับนักโฆษณาบริษัทวิจัยหรือแม้แต่องคอ์กรสืบราชการรับเพื่อนําข้อมูลเหล่านี้ไปจัดการเพื่อให้เป็นไปตามที่ต้องการแล้วก็สมาชิกจํานวนมากในโซเชียลมีเดียไม่ใช่มนุษย์จริงหากเป็นหุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างนะครับอันนี้เขาให้ข้อคิดตรงนี้ไว้และเนี่ยประกาศว่าใน สหรัฐอเมริกานมีเพียง2บริษัทคือ Facebook กับ Google นะเท่านั้นนะครับที่ดําเนินธุรกิจโดยใช้บูมเมอร์เป็นธุรกิจรูปแบบที่เล็กที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้ทั้ง2บริษัทมีทั้ง6ลักษณะของบูมเมอร์โดยที่บริษัทอื่นๆนะครับมีบางลักษณะแต่ไม่ครบ6ลักษณะเขายังบอกว่าเทคโนโลยีไม่ใช่สาเหตุที่ทําให้สังคมป่วยเช่นทุกวันนี้หากประเด็นอยู่ที่บูมเมอร์เป็นรูปแบบการดําเนินธุรกิจและอาศัยการจัดการบรรดาคนที่ใช้เทคโนโลยีเป็นหลักต่างหาก ในเชิงเทคโนโลยีนะครับสิ่งที่ทำให้บริษัทเจ้าของบัญชีทำการต่างๆเข้าข้างต้นได้ก็มาจากสิ่งที่เราเรียกว่าอัลกอริทึมซึ่งหมายถึงกระบวนการชุดของกฎกติกาเพื่อ น, นำไปสู่การหาคำตอบโดยคอมพิวเตอร์เช่นหากคุณชอบดูคลิปเรื่องปืน และนาฬิกาข้อมูลที่เก็บได้จากบัญชีนี้จะถูกอ่านโดยเครื่องจักรแล้วก็ถูกใช้เป็นข้อมูลให้อัลกอริทึมดำเนินการทีละขั้นตอนเช่นตรวจว่าเปิดดูบ่อยเพียงใดนานเพียงใดก่อนหน้านี้เคยดูอะไรเคยโพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้บ่อยไหม <S <S เพื่อใช้ประเมินว่าเจ้าของบัญชีชอบมากกว่าพอไหมนะฮะหรือชอบมากแค่ไหนหาจะป้อนเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ให้เป็นพิเศษและขายข้อมูลเรื่องนี้ให้กับผู้โฆษณาต่อไปคุณไม่คุณไม่ซื้อไม่เป็นไรฮะ แต่มีความเป็นไปได้สูงว่าหากไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเจ้าของบัญชีเลยเพียงคุณชอบแล้วกดเป็นสมาชิกของเว็บไซต์เจ้าของตัวเลขสมาชิกก็สูงขึ้นเจ้าของเว็บไซต์ก็สามารถเอาข้อมูลไปขายโฆษณาด้วยราคาที่แพงขึ้นเช่นกันนะครับเพราะว่ามีสมาชิกดูมากขึ้นสิข้อถูกเทียงหรือเหตุผลที่แลนนี่เห็นว่าควรทําให้คุณตัดสินใจลบบัญชีมีอยู่10เรื่องมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับในเร็วหน้า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 t าจจะมีพร้อมแต่ชีวิตก็ยังวุ่นวายังไม่พอดียังไม่พอใจ t ึงไม่หนาดีอาจมีนอย แค่พอดีมีแค่พอใจถึงต้องหนาวกายแต่หัวใจอุ่นดีอุ่นใจแล้วแค่มีเธอกับฉันรักกันตลอดไปด้วยใจใจที่หวังดีอุ่นใจแล้วเนาวยังสักแค่ไ รักหงใจจะมีอะไรอุ่นกว่านี้อยู่ในความรักอาจจะเหมือนว่าไม่มีใครแต่รู้ว่ามีเธอเธอที่เข้าใจจึงต้งหนาวกายแต่หัวใจ รักกันตลอดไปเตืใจใจที่หวังตีอุ่นใจแล้วหนาวยังสักแค่ไหนเมื่อมีรักคงใจจะมีอะไรอุ่น ม่มีเธอเธอที่เข้าใจถึงต้องหนาวกายแต่หัวใจอุ่นดี เธอแซวอนแล้วไม่อยากจะฟังอยากอยู่ลำพังใจตั้งจะไม่วุ่นเลยห่วงพี่จริงๆทพี่ซึ่งใจแล้วอกเอ้ยจะไม่วุ่นเลยจะไม่วุ่นเลยเธอใตสองรอง้อยตาแดงๆดไปโดนสาวได้กลางมาตาดำดๆไม่ต้องมาทำพูดจา I go anywhere I w a ดูสิไล่น้องเห็นเป็นคนอื่นไกลอยากดูคนเดียวสักพักได้ไหมจะแอบร้องไห้เสียน้ำตาคือบอกมันเลยจะห่วงจะแซวพอแล้วไม่อยากจะฟังอยากอยู่ลำพังใจตั้งจะไม่วุ่นเลยห่วงพี่จริงๆพี่ส่งใจแล้วอก จะไม่หัวเ would like t เลยเธอใจสองร้อยจะไม่หัวเลยจะไม่หัวเลยเธอใจสองร้อยจะไม่หัวเลยจะไ จะมือมองดูออกไปมีแต่ภาพของคนรักกันไม่รู้ว่าเธออยู่ในตรงที่ใดต้องตามหาอีกนานเท่าไหร่เธออยู่ในใครสักคนคนที่เหงาเหมือนฉันเช่นกันไม่ได้ขอ<ฮ>สิ่งอื่นมากมายแค่เพียงใครที่ขยงข้างกัน ดยวด้กันและในวันนี้ที่ฟ้าสดใสหากว่าฉันไดพบ ก, กับเธอที่ฟันเราจะทำทความเหงาหายไปพร้องกัน เธออยู่ในตรงที่ไดต้องตามหาอีกนานเท่าไรเธออยู่ในใครสักคนคนที่เหงาเหมือนฉันช่นกันไม่ได้ขอสิ่งอื่นมากมายแค่เพียงใครที่เคียงข้างกายอยู่ตรงนี้เดียวได้กับฉันโดดเดียวด้ว เธอแต่คู่ที่เดินจับมือมองดูออกไปมีแต่ภาพของคนรักกันไม่รู้ว่าเธออยู่ไหนตรงที่ใดต้องตามหาอีกนานเท่าไรเธออยู่ไหนใครสักคนคนที่เยงาเหมือนฉันเช่นกันไม่ได้ขอสิ่งอื่นมากมายแค่เพียงใคร ข, ข้างกายอยู่จรงนีเนเน้เดี๋ยวได้กับฉันโดดเดียวได้กันเดี๋ยวได้กับฉันโดดเดียวได้กัน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 ทำให้คุณหมดความเป็นเซรีชนนะครับหากคุณมีบัญชีคุณก็เปรียบเสมือนอยู่ในกรงถังเป็นสัตว์ในห้องทดลองที่ถูกเฝ้ามองถูกจัดการถูกวิเคราะห์เมื่อคุณมีสมาร์ทโฟนก็เปรียบเสมือนคุณมีกรงเพียงแต่จะเข้าไปอยู่ในกรงด้วยการเป็นสมาชิกโซเชียลมีเดียหรือไม่หากเป็นสมาชิกอัลกอริทึมจะเริ่มทํางานทันทีโดยใช้ข้อมูลจากการเป็นสมาชิกของคุณนะฮะในการวิเคราะห์พฤติกรรมแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับข้อมูลของหลายคนอื่นที่เก็บไว้เป็นร้อยเป็นพันซึ่งลักษณะคล้ายกันแล้วก็คือการพยากรณ์พฤติกรรรมองคคุณนนนััเะบ สองนะครับบูมเมอร์บวกลุกความเป็นส่วนตัวและอันตรายลองคิดดูหากมีคนพยากรณ์ได้ว่าคุณชอบทําอะไรหรือไปเที่ยวที่ไหนมักอยู่ที่ไหนในเวลาใดลักของรักลู่ของคุณมากเพียงใดคุณจะชอบหรือรู้สึกปลอดภัยไหมอย่าลืมว่าทั้งหมดที่เขารู้ก็เพราะาคุณบอกเขาเองจากการโพสต์ข้อความจากรูปถ่ายแล้วก็คำบรรยายจากการแสดงออกถึงความชอบผ่านการเลือกดูคลิปการกดไลค์และจากการเป็นผู้ติด ต, ตามถ้าคุณลบบัญชีทิ้งหรือไม่เป็นสมาชิกแต่แรก ความเป็นสนตูวของคุณก็จะหมดไปทันทีนะครับสามโซเชียลมีเดียทำให้คุณกลายเป็นเอ็งั่างนะบูมเบอร์ออกแบบมาเพื่อให้คุณเป็นคนเซฟติดโซเชียลมีเดียทุกาศาสตร์ทุกนําเอามาใช้เป็นเพื่อให้คุณเกิดอารมณ์ชอบกดเกด ล, ลียดหลงใหลอยากรู้อยากเห็นเนะี่ยมาอารมณ์ะอยากให้เป็นที่ยอมรับอยากรับรู้เรื่องราวลี้ลับอยากแสดงความงดงามของตนเป็นพื้นที่แสดงออกของอารมณ์ความเป็นคนมีปมเด็ดและปมด้อยนะครับสี่โซเชียลมีเดียทำลายความจริงนะฮะแหล่งข้อมูลโซเชียล บางแห่งเกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างเช่นสนับสนุนความคิดทางการเมืองสร้างรสนิยมสินค้าสร้างอารมณ์สุดโต่งเพื่อให้เกิดการเข้าไปในโซเชียลมีเดียเช่นกันสร้างความเชื่อจากทฤษฎีสม ค, คบคิดบ้าๆบอๆตลอดจนเรื่องราวโกโหกหมดเหตุนะครับหลายบัญชีมียอดผู้ดูและผู้ติดตามจํานวนเป็นแสนเป็นล้านส่วนใหญ่มาจากการสร้างบัญชีหุ่นยนต์หรือว่าบอทนะฮะที่คือสร้างขึ้นและควบคุมโดย Fake People หรือกลุ่มคนที่เป็นเป็นพวกคนรับจ้างนะฮะบัญชีหุ่นยนต์พวกนี้นะฮะมีอยู่ทุกแห่งคนบริษัทเหล่านี้หาเงินหาทองได้มากมายจากการขาย Fake แคร์นะฮะซึ่งในปี2018หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์รายงานว่าราคามาตรฐานคือ225เหรียญสหรัฐต่อ 2,000 25,000 Fake a c c o นะฮะมีอยู่ทุกแห่งคนในทุกประเทศเพราะมีวัตถุประสงค์หลากหลายเพื่อรายได้ก้อนโตเลยทีเดียวก็ว่าได้นะฮะ 5. โซเชียลมีเดียชอบให้คนทะเลาะกันทำลายความสามารถของมนุษย์ในการเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะครับก็พยายามยุแยงให้เรารู้สึกแย่แล้วก็หุดหงิดใส่กันทะเลาะกันได้เพราะว่าการที่เราเห็นข้อความโพสต์ขึ้นมาแล้วเราก็รู้สึกหุดหงิดแล้วก็อยากจะตอบโต้พอเราตอบโต้ปุ๊บอีกคนนึงก็ตอบโต้กลับมีคนที่สองเข้ามาลุมสักกรรมกลายเป็นเรื่องการดราม่าผ่านคีย์บอร์ดเลยนั่นเองอย่างที่เราทราบกันนะครับ ยังไม่จบครับเดี๋ยวมาดูว่าทำไมเราต้องลบโซเชียลแต่ไม่ได้บอกให้ลบนะฮะแค่มาเล่าให้ฟังขำๆ มาต่อเลยครับไม่ให้เสียเวลาความรู้สึกเป็นลบเป็นเส้นเลือดเลี้ยงชีวิตของโซเชียลมีเดียและนี้ให้ความเห็นว่าบุมเมอร์ต้องการให้คุณไม่มีความสุขมิฉะนั้นก็จะใช้เวลาไปกับสิ่งอื่นๆในชีวิตจริงและไม่มีเหตุผลที่จะมาใช้โซเชียลมีเดียงานวิจัยพบว่ายิ่งสมาชิกรู้สึกโกนงกวายรู้สึกว่าตนเองขาดอะไรบางอย่างมากเท่าใดแนวโน้มในการมีส่วนร่วมกับกลไกของบุมเมอร์ยิ่งมากขึ้น เท่านั้นเช่นยิ่งพบว่ามีคนชอบโพสรูปภาพที่โพสมากขึ้นก็จะยิ่งเกิดการเสพติดมากขึ้นเป็นเงาตามตัวและทำให้บริษัทที่สร้างบูมเมอร์มีกำไรมากยิ่งขึ้นนะครับ โซเชียลมีเดียทาให้คนจํานวนมากขาดความสุขสําหรับกลุ่มที่ต้องการยอมรับจากคนอื่นเช่นการยอมรับในความงามหรือการแข่งขันการเป็นเน็ตไอดอลความจริงก็คือมันให้เป็นการแข่งขันในระดับโลกระดับประเทศที่ย่อมมีมาตรฐานสูงเป็นธรรมดาไม่ว่าจะคิดว่าตนเองสวยเท่าไหร่ก็จะมีคนสวยกว่าอย่างแน่นอนเช่นเดียวกันนะครับมีคนที่อื่นที่มีแฟนติดตามมากกว่าดังนั้นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการเข้าไปร่วมจึงมีแต่ความไม่สมหวังใครที่จริงจังกับมันก็จะหาความสุขไม่ได้ 8นะครับ 8. บริษัทโซเชียลมีเดียทำเงินได้มหาศาลจากสิ่งที่คุณทำให้ฟรีทุกนาทีที่ผู้ใช้โซเชียลมีเดียแบกแปลบทความกวีข้อความที่งดงามข้ามภาษาให้กับเพื่อนๆโดยไม่คิดอะไรแต่หารู้ไหมว่าข้อมูลเหล่านี้ถูกเก็บไปใช้หรือขายต่อโดยอัลกอริทึมข้อมูลอื่นๆไปไม่ว่าจะรูปภาพที่งดงามข้อเขียนจะถูกเก็บรวบรวมไว้ตลอดเวลาเพื่อ น, นาไปใช้ต่อโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือปรับปรุง หรือตัดต่อเพิ่มเติมทั้งหมดนี้สามารถนำไปขายต่อและสร้างรายได้อีกมหาศาลนะครับ 9. ก้าโซเชียลมีเดียมีผลกระทบด้านลบต่อระบบเมืองอัลกอริทึมของบุเมอร์สามารถมีอิทธิพลต่อคนที่มีอุดมการประชาธิปไตยให้กลายเป็นคนนิยมอำนาจมีการแบ่งพักแบ่งพวกทางความคิดและทำลายระบบการเมืองดังที่ได้พูดถึงว่า เล่าให้ฟังอย่างในอเมริกาหรือเมืองไทยตอนนี้ก็เจอนะฮะอันเป็นผลมาจากการเลือกตั้งที่อเมริกา2016ซึ่งมีหลักฐานการแทรกแซงโซเชียลมีเดียชัดเจนขึ้นทุกทีนะครับ10โซเชียลมีเดียเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นสิ่งของในเรื่องความคิดของมนุษย์การมีใจิตใจที่ยิ่งใหญ่กว่ามีเพียงการดำเนินชีวิตในวันนั้นบูมเมอร์สามารถมีอิทธิพลแทรกแซงได้นะครับโดยขึ้นอยู่กับการสร้างอัลกอริทึมถ้าจะพูดว่าบูมเมอร์คล้ายครึ่งาศาสนาก็คงได้นะฮะกล่าวคือเป็นระบบที่ จัดการความเชื่อศรัทธามีอิทธิพลต่อความนึกคิดและการชี้นำทั้งอย่างตรงไปตรงมาและแนบเนียนต่อชาวโลกนะครับโอ้โหบุมเมอร์นี่เป็นยังไงยังเยอะแยะไปหมดก็สรุปนะฮะโซเชียลมีเดียมีทั้งคุณอนันต์และโทษมหันถ้าเรารู้เท่าทันก็ไม่มีอะไรเสียหายนะฮะถ้าฟังถึงตรงนี้ไม่ได้หมายความว่า ฟังเสร็จปุ๊บไปล f a c e b o o k ทิ้งเลยไม่ใช่นก็ยังต้องมีการรับรู้เพียงแต่ว่าเราอย่ากถึงขนาดที่นั่งจ้องกับ Facebook แล้วดูว่ามีคนกดคลิกไลค์หรือคนกำลังด่าใครอะไรอยู่ตลอดเวลานะครับอ่ะเวลาถึงตรงนี้หมดลงแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ของพี่มิงยังมีเวลากับพี่มิงอีกเยอะเลยสัปดาห์หน้าจะมาเริ่มต้น แรงๆกับคอมมาจอยที่จะถึงนี้นะครับอยากฟังว่ามีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยววิกน่าจะมาเล่าให้ฟังพร้อมกับเรื่องราวดีๆของดิจิตัลไลท์สไตล์ครับเวลาวันนี้หมดลงแล้วไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ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 89.5 เมกะเฮิรตซ์ Hz, สร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี มันยังคงฝันมาละเพอจนหมดใจคือวันและคืนที่พ้นไปหัวใจจะเอยเครับฟังกันในเธอ่ามีเค่ฉันแลมีเธอทีอยู่เรียนเท่านั้นมีนลกบนี้มีเพียงให้เราดีอยู่ ฉันรักเธอสุดหัวใจไม่มีใครมาเทียบเรียบรักเราเล่นเป็นรักลองอีกสองใจคงเป็นไปไม่ได้ใครรักเธอมันฉันนั่นเอง อยู่ใกล้เธอีนไงที่รักเธอนั้นเป็นเที่สถิตอยู่ที่กรุงรัชทายเราต้องมีใใจเหมือนกันคือรักรักรักโอ้เราสนุกสนานไปกับความฝันจะเป็นความจริงเธอนั้นคือยอดหญิงที่ฉันจะรักรักรกราชูบชูบชูบชูบชูบชูบโอ้โอ้ชูบชูบชูบชูบชูบชูบโอ้โโอ้โอฟัน เพลงรักดังกองห้องหัวใจให้ครุ้มหนักไม่มีใครมาเทียบเรียบเสียงเสนอเกิดเพราะเราเฝ้าหลงรักไม่มีใครมาหักความรักเราได้ หาขวัญใจให้ฉันเรียกชวาที่รักเธอนั้นเซนเจียพีสถิตอยู่ที่กระดูกหาไทยเราต้องมีใจใจเหมือนกันคือรักรักรัโอ้เราสนุกสนานไปกับความฝันจะเป็นความจริงเธอนั้นคือยอดหญิงที่ฉันจะรักรักรักราสนุกสนานไปชับความฝันจะเปวามจร หมอบรักให้เธอใจฉันเมือล้อยหากเธอยี่คอยฉันปลอยอิ่มใจฮกนาฬิกาแอบมาพบเธอเจอกันทุกที่โซพีงามแท้ไม่แพ้เทวีจันซ อ, อพอเห็นเธอคงมองเห็นฉันเป็นยอดชา คูมใจฉันได้เธอมาเธอทีน้องกล่อมเธออย่ามมองฉันซึ่งเ ล, เลยเด้อยามเธอรอยยิ้มให้มาแกามแสดงหนักน่เจนนาฬิการีบมาเล่าเรียนใจยังมุนเวียนถึงเรียนสับสนชอบคิดกังวลไม่พ้นเรื่องเธอมีไงเพืนเกล Of. เธอคือดาวที่สวยงามสุขสขกาวแสนไกลอยากเอืมมือว่าเธอเก็บไว้อยากโน้มใจเมื่เกียงกันแต่ความจริงที่ฉันเป็นเป็นแค่เพียงเม็ดทาย ราคาไม่มีความหมายแต่เมาเธอตรงนี้แม้ไม่ลอดเลยแต่ฉันก็มันคงและจะส่อตรงกับเธอเรื่อยไปโลกนี้จะเปลี่ยนแปลงฉันไม่เปลี่ยนใจจะรักตลอดไปอย่างไรคนคนนี้ก็จะรัก ไม่ได้คอยอยู่ใกล้เธอแต่ห่วงเธอทุกวันไม่ใช่คนผู้ใจอ่อนกวานแต่ทุกคำจริงใจไม่เคยมีคำสัญญา เจงเชื่อใจสิ่งที่ฉันไม่เคยหวั่นไหวก็คือใจดวงนี้แม้ไม่เลิดเลยแต่ฉันก็มันคงและจะสื่รตรงกับเธอเรื่อยไปโลกนี้จะเปลี่ยนแปลงฉันไม่เปลี่ยนใจ จะรักตลอดไปอย่างไรคนคนนี้ก็จะรักเธอ เธอเรื่อยไปโลกนี้จะเปลี่ยนแปลงฉันไม่เปลี่ยนใจจะรักตลอดไปอย่างไรคนคนนี้แม่ไม่เลิเลยแต่ฉันก็มันคงและจะส่อตรงกับเธอเรื่อยไปโลก ฉัน